ขังก้หยกภาสองตอนที่13ตอนแก้วสือยันตอนที่สองลัตตนะอันใดมีค่าอันเป็นเครื่องปื้มใจอันใดในโลกนีหรือโลกหรืก็ดีแก้วล้ำค่าอันใดที่ละเอียดอ่อนในสวรรค์ก็ดีสิ่งเหล่านี้จะประณีตเสมอด้วยพุทธลัตตนะนันไม่มีเลยข้าน้อยมิกล้า โอาย่างสั่นตอบปฏิเสธท่ามกลางสายตาเหล่าสิทธิสำนักเอกบุริมที่จ้องมองแก้วประกายพฤกด้วยสายตาที่อยากครอบครองจงลับไปเถิดเราจึเก่านกที่นี้นับจากนี้ต่อไปอีกสามปีข้างหน้าหากผู้ใดคิดอยากได้แก้วิเศษล้ำค่าเช่นนี้จงไปขอกับแม่นางผู้นี้ได้ มิทันที่ผู้เท่าซัมปป้อจะกล่าวจบโอยางสั่งตื่นตนกในคำกล่าวนั้นเรียบพูดขัดขึ้นว่าข้าน้อยมีอาจรับคำที่ว่าจะมีแก้ววิเศษเหล่านี้แจกจ่ายกับผู้คนได้อย่างไรในการข้างหน้าเล่าหุยินปอเปลี่ยนคาเถิดข้าน้อยฟังก้การข้างหน้าเจ้าจะรู้เองว่าแต่แม่นางใช้แก้ววิเศษเป็นไหม สัมพ่อหูหยินเอ่ยถามซื้อแปลหอบสิงได้สั่งสอนข้าแล้วข้าน้อยต้องขอน้อมรับในความการุณาอันเสริดของเล่าหูหญินที่มอบแก้วล้ำค่าแก่ข้าน้อยโอหยางสังเรียบก้มกราบขอบคุณต่อผู้เท่าผู้เท่าสีหน้าอิ่มเ อ, อิบด้วยบุญบารมีจับมือโอหยางสางกล่าวต่อว่าเมนฮางเอ้ย เจ้าก็ได้รับคำสั่งสอนจากซื้อแปรแล้วมีใช่หนึ่งหที่ว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำอะไรฉะนั้นเจ้าจงถือเอาแก้วกองล่าเหลืองสะกดดังคำสอนของภิกษุตาวังฟูเถิดแล้วจะเข้าใจคำของท่านที่ว่าขุดบอโลทารา ให้อุสาขุดลํำไปขุดตื้นตื้นน้ำบอมีขุดถึงที่น้ำจึงไหลเมื่อนั้นผลไม้ดอกนกชุมน้ำเย็นปลาชอบอาศัยอย่าได้บิลีบิไลก่าวมากความทุกสิ่งทุกอย่างย่าเป็นไปตามฟ้าลิขิตผู้คอยตามฟ้าย่มลุ่งเลือง ผู้ขัดขวางย่อมถูกทำลายด้วยเดชะสัจจะวาจานี้ขอความสำเร็จจงเกิดแก่เจ้าทุกเมื่อเราหูขออวยพรเจ้าโอ้ยังสังโอ้ยังสังรับมอบลูกแก้วสวยยันแก้วไถเอียงใจนางหวนประวัติลำลึกถึงนิมิตฝันก่อนที่จะมาสำนักเอกบูริมนี หรือนี่คือลิขิตของสือแป๋ฮวบสิงที่นางไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าการข้างหน้าจะมีภาระอันหนักหน่วงยากเย็นแสนเข็นเพียงไรนางได้แต่ภาวนาขอเพียงสือแป๋ฮบสิงอย่าได้ทอดทิ้งสือแป๋ฮบซิงอยู่กลางใจจิตตานุภาพที่หยุดละเอียดไม่มีมมสิ้นสุ ด, สดที่เรีย ก, ยกว่าอนัตตายาโน ยดนั้นเป็นตัวสำเร็จนำมาซึ่งอำนาจสิทธิโดยไม่ต้องแสวงหาเช่นสิทธิทางโลกเป็นเช่นนี้เองลักล่างขอสางรายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลื่อนล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกลองล่าเรื่องสกุล มูดาราบนหนาาก็พริบแสงเชกเช่นดวงตาของผู้มีความเมตตาดวงดาวไม่มีวันเดียวได้เพียงบางดวงพอแสงเร็วกว่าบางดวงบางดวงทอแสงเนื่นชาบางครั้งถูกพยับเมฆบดบังแต่ในที่สุดยังคงเป็นแสงเรืองรองที่มีนับแต่โบราณกาณนับเนื่องจนถึงบันนี้จนชั่วนิรัน ยามนี้วิการคอยดึกมากแล้วมาดว่ายังเมื่อดมิดอีกช่วงใหญ่แต่ก็ห่างจากยามฟ้าสางสว่างไม่ไกลแล้วในใจโอหยางสังคงเหลือแต่ความอบอุ่นชนิดหนึ่งความอบอุ่นอันสืบเนื่องมาจากความรักความเมตตาที่มีต่อผองชนทั่วไปไม่เลือกหน้าไม่เลือกชนชั้นใดๆบัดนี้ เทศทิดาทะเลใต้โออย่างสามได้เข้าใจและมันฝึกปรือวิชาไตวิสุทธ์พร้อมทั้งแก้วสลริยันจันทาที่นางได้ครอบครองเพื่อหวังให้วิชาได้หลอหลอมเขาเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างกายใจจิตจิวิญญาณโดยหวังว่าสักวันหนึ่งอนุภาพแห่งวิชาไตวิสุทธ์จะสามารถทำให้บรรลุ ไปสู่สุดยอดวิชาหุบซิงของท่านสือแปลที่สั่งสอนไวเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและนำพาเหล่าของชนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลและสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ่พ่อบ้านตัวแปะชิวนำข่าวมาแจ้งแกโออย่างสั่งว่าท่านเจ้าสำนักข้าได้ยินข่าวที่ล่ำลืออยู่เรื่องหนึ่ง ซึ่งอาเกียวพันกับท่านซื้อแปลุบสิงต้าอวงฟู่มาหลายปีที่แล้วท่านให้ภิกษุกเต็กพบหนึ่งในสิทธ์เอกไปช่วยเหลือยุตธภพทางตรงซัวคือดินแดนภาคกลางภิกษุกเต็กวบได้สร้างสำนักอันใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางขอบคุ้มขุนเขาสามลูกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่บัด น, นี้ท่านชราภาพมากแล้วและข้าด้ยินมาว่า ท่านเจ็บป่วยไม่สามารถขยับขยื่อนกายได้ไมิทราบว่าท่านเจ้าสำนักมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเช่นนั้นข้ายิ่งต้องไปแน่นอนเพราะท่านภิกษุเต็กหวัวถือเป็นศิษย์ผู้พี่อุโสที่ข่าขวมไปฆละวะยิ่งเจ็บป่วยยิ่งต้องไปเพื่อข่าจะรักษาท่านได้พ่อบ้านตัวแปะชิวได้กล่าวเสริมอีกว่า ได้ข่าวว่าท่านบาดเจ็บจากการประมือกับผู้บุกลุกสำนักของท่านเนื่องจากเห็นว่าขุนเขาแห่งสำนักของท่านสวยงามมากและมีดินโป่งที่มีแสงสว่างผุดขึ้นยอดไม้เนืองอีกทั้งท่านก็ชลาผู้บุกลุกจึงหวังเข้าครอบครองดังนั้นอาการบาดเจ็บของท่านมิอาจขยับขยื่นตัวได้เพราะผู้บุกลุกเข้ามาทำลายท่านเจ้าสำนัก ถ้าเช่นนั้นให้จัดเตรียมยาเม็ดลูกกรอนถอนโมกขษักแก่ข้าและเตรียมตัวเดินทางไปช่วยเหลือท่านพิสุเต็์พวบกันเถิดเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรเหตุการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป